การที่พวกเราจะดำเนินชีวิตของพวกเราไปอย่างมีความสุขไปอย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีเรื่องราววุ่นวายใจต่างๆเราจำเป็นจะต้องมีปัญญาหรือมีความรู้ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราศึกษาให้เรารู้จักกันถ้าเรารู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนใหเรารู้และดำเนินตามที่เรารู้ได้ชีวิตของเราจะปราศจากปัญหาปราศจากความทุกข์ปราศจากเรื่องวุ่นวายต่างๆ จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดจนถึงอวสานการของชีวิตชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับการเดินทางการเดินทางที่ดีที่ปลอดภัยคนเดินทางต้องมีตาและมีแผนที่บอกทาง ถ้าตาบอดหรือไม่มีแผนที่บอกทางตาบอดก็มองไม่เห็นแผนที่ก็จะต้องคำทางไปถ้าคำทางไปก็คำผิดคำถูกก็จะทําให้ได้เจอทั้งความสุขเจอทั้งความทุกข์เจอทั้งปัญหาเจออะไรต่ออะไร ที่ไม่ควรจะเจอเพราะปราศจากดวงตาหรือปราศจากแผนที่ต้องมีตาถึงจะดูแผนที่ได้ความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนตาของจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราถ้าปราศจากปัญญาของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระพุทธเจ้าใจของพวกเราก็จะเป็นเหมือนคนตาบอดเพราะใจของพวกเราถูกครอบงำด้วยโมหะอวิชานี่เองโมหะก็คือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริง พอเห็นไปถามความรู้สึกนึกคิดไม่ได้เห็นด้วยปัญญาคือความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าพวกเราจึางต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ผู้เป็นผู้มีปัญญาผู้ที่รู้จริงเห็นจริงในเรื่องราวต่างๆที่ชีวิตของพวกเราจะต้องเผชิญจะต้อง พบถ้าเรารู้จักวิธีการปฏิบัติกับสิ่งต่างๆที่มาให้เราได้สัมผัสรับรู้ได้พบเห็นเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญถ้าเราไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจ ความเสียหายต่างๆเราจึงต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้บอกทางเป็นเหมือนแผนที่หรือเป็นผู้นำทางเราเป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดนี้ไปไหนเองลำบากต้องมีคนตาดีถ้าไม่มีคนตาดีอย่างน้อยขอให้มีหมาตาดีก็ยังดี บางทีหาคนตาดีนำทางไม่ได้เขาก็หาคนหาหมหมาตาดีเป็นผู้นำทางให้ให้หมานำไปหมาก็จะรู้ว่าตรงไหนเดินได้ตรงไหนเดินไม่ได้ถ้าไม่มีก็ต้องอาศัยไม้เคาะทางไปก็จะลำบากนะจ่าไม่ แน่ใจว่าจะไปถึงที่ต้องการจะไปหรือไม่เนี่ยต้องถามทางคนตลอดทางไปนี่คือสิ่งที่พวกเราจําเป็นจะต้องมีกันคือมีแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องศึกษาจากผู้ที่ตาดีเท่านั้นเราอย่าไปศึกษากับผู้ที่ตาบอด อาไปศึกษากับผู้ที่ตาบอดก็เหมือนคนตาบอดสอนคนตาบอดก็จะบอดด้วยกันทั้งคู่ผิดด้วยกันทั้งคู่เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวกันกไปหมดอย่างสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อันนี้ไม่ได้ประมาทอันนี้พูดตามความเป็นจริงตามหลักธรรม เป็นสถาบันของคนตาบอดสอนคนตาบอดทานั้นวิชาความรู้ต่างๆที่สอนในมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ตามก็เป็นวิชาตาบอดวิชาของคนตาบอดสอนคนตาบอดสอนให้คนทําในสิ่งที่เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมามากมาย ในโลกนี้ปัญหาต่างๆเกิดจากใครเกิดจากศัตว์เดรัชานหรือเกิดจากมนุษย์ส่วนใหญ่ก็เกิดจากมนุษย์ที่เรียนรู้มีความรู้มากมายนี่แหละที่ไปสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาฆ่าฟันกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากการไปเรียนจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกเรียนรู้วิชาสร้างระเบิดนิวเคลีย เรียนรู้วิชาสร้างอาวุธมหาปลัยต่างๆเพื่อมาทำลายคนที่เราคิดว่าเราจะมาคุ้มครองปกป้องรักษาเนี่ยนี่แหละคือโรงเรีย น, นสอนคนตาบอดด้วยครูที่เป็นคนตาบอดสอนให้คนเข็นฆ่ากันฆ่าฟันกัน ทำลายล้างกันด้วยอาวุธชนิดต่างๆและยังผลิตกันขึ้นมายังค้นคว้ากันอยู่เรื่อยๆขนาดมีอาวุธที่สามารถทำลายโลกได้อย่างร่าบคาบแล้วก็ยังไม่พ อ, อยังคิดค้นคว้าหาอาวุธที่ร้ายแรงกว่านี้ขึ้นไปอีก ตอนนี้หาคนคว้าัตทางนิวเคลีย์ทางเคมี er บ้างทางเชื้อโรคบ้างทำยังไงฆ่าคนทีเดียวให้มันตายเยอะๆความรู้เหล่านี้ก็มาจากสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของโลกนี่คือความจริงที่โลกเรามองไม่เห็นกันกลับไปยกย่องให้รางวัลโนเบลกัน เป็นผู้ที่มีความฉลาดมีความรู้มีความสามารถมากแต่เป็นความรู้ความสามารถที่จะมาทำลายทำลายโลกกันโดยไม่รู้สึกตัวจึงเรียกว่าเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดด้วยครูที่เป็นคนตาบอดตาบอดสอนคนตาบอดโลกเราจึงวุ่นวายกัน มันน่าจะมีความสุขกันแล้วเพราะเราพัฒนาการศึกษาต่างๆทางโลกถึงขั้นที่สามารถผลิตยานอวากาศส่งออกไปนอกโลกได้มันควรจะทำให้โลกเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมากกว่าอยู่กันแบบวุ่นวายการแบบที่เราอยู่กันขณะนี้เมืองไทยเราสมัยที่เราเป็นเด็กนี้ ไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนสมัยนี้เนะ่เดินทางไปไหนมาไหนรถ ล, ลามไม่ติดอย่างสมัยนี้สมัยก่อนมีสามล้อมีรถลามีมเรือจ้างก็ไปไหนมาไหนกันได้สมัยนี้มีถนนเยอะแยะมีนถดแต่ก็มีรถเยอะแยะไปไหนก็เหมือนกับนั่งสามล้อไปนั่นแหละบางทีนั่งสามล้อสมัยก่อน ไปเร็วกว่า น, นั่งรถยนต์ในสมัยนี้ติดรถในกรุงเทพนี่ไปกิโลนึงอาจจะไปเกือบชั่วโมงหนึ่งถึงจะไปได้สักกิโลหนึ่งสมัยก่อนนั่งสามล้อนี่ยห้านาทีเท่านั้นเองก็ไปได้นะกิโลหนึงหรือรถรางรถอะไรต่างๆยิ่งพัฒนากันก็ยิ่งผลิตคนมากขึ้นคนมากขึ้นก็ ทำให้แก่งแย่งชิงดีกันมากขึ้นไปตามลำดับยังมีแต่ปัญหาตามมาอย่างไ ม, ไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าเราอาศัยความรู้ทางโลกเป็นผู้นำทางให้กับชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราจะไปสู่ความเสื่อมสู่ความทุกข์ยางใหญ่หลวง ในพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าจิตใจของคนเราจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเสื่อมด้วยความรู้ทางโลกนี่แหละเสื่อมทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงกันมากขึ้นเราสามารถใช้ความโลภความโกรธความหลงนียไปทำอะไรต่างๆที่อยากได้กัน โลบอยากได้ความสุขความสบายในเรื่องการกินการอยู่ก็ผลิตอาหารผลิตเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆขึ้นมาเต็มไปหมดพอผลิตแล้วก็แย่งกันแข่งแย่งชิงดีกันแล้วก็ต้องใช้อาวุธมาปะหัดปะหารกันเพราะว่า เมื่อมีการแข่งแย่งชิงดีก็ต้องมีอาวุธผู้ที่มีอาวุธก็จะเป็นผู้ที่ชนะผู้ที่จะได้เอาสิ่งที่ต้องการไปครอบครองจะมีการต่อไปจะมีการฆ่าฟันกันมากขึ้นมีการแข่งแย่งชิงดีกันมากขึ้นจนไปสู่ยุค ข, ของ ที่มีแต่การฆ่าฟันกันตลอดเวลาที่นี้เราดูเห็นไม้ม ท, ที่นั่นก็มีสงครามที่นี่ก็มีสงครามก็แข่งแย่งอะไรแข่งแย่งที่อยู่อาศัยแข่งแย่งปัจจัยสี่กันทำสงครามกันฆ่าฟันกันไม่มีวันจบทำสงครามโลกมาสองครั้งแล้วก็คิดว่าจะแก้ปัญหา มันก็ไม่แก้มันก็มีการฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าใช้วิชาความโลกมาแก้ไขปัญหากันแก้ยังไงก็ไม่มีวันจบจิตใ จ, จของคนจะเสื่อมลงต่ำลงศีลธรรมจะน้อยลงไปเรื่อยๆการฆ่าฟันกันการเบียดเบียนกันการแก่้งแย่งชิงดีกัน จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยุคที่เขาเรียกว่าฆ่าฟันกันจนไม่มีใครเหลืออยู่เนะหลืออยู่แต่พวกคนที่มีศีลมีธรรมที่ต้องหลบไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามที่ไม่มีความความเจริญไม่มีใครไปแย่งกันนะ ปล่อยให้พวกที่อยู่ในบ้านในเมืองให้เขาแก่งแย่งชิงดีฆ่าฟันกันจนตายกันไปหมดแล้วถึงจะมีคนดีที่ไปหลบซ่อนอยู่ตามป่าตามเขาออกมาสร้างสังคมใหม่มารักษาศีลมาทำบุญทำทานมาแบ่งปันมาช่วยเหลือกันดูแลกัน แทนที่จะมาแข่งแย่งชิงดีกันเราสังคมก็จ ะ, จะเจริญขึ้นมาใหม่จนถึงยุคของพระีอานก็จะมีพระพุทธเจ้าพระีอานมาตัดสู้แล้วก็มีผู้ที่จะสามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระีอานได้เป็นจำนวนมาก เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานในทางธรรมอยู่แล้วไม่ชอบเบียดเบียนกันชอบช่วยเหลือกันชอบช่วยดูแลกันชอบอยู่กันอย่างสันติสุขอยู่กันอย่างควาด้วยความสงบอยู่แบบมากน้อยสันโดษไม่ได้ไปหลงไหลกับเรื่องของทางด้านวัตถุกันมากจนเกินไป มีวัตถุไว้พอบริโภคไว้เลี้ยงดูร่างกายก็พอแล้วส่วนความสุขทางจิตใจนี้ก็จะใช้การทำความดีกันแผ่เมตตาให้ต่อกันด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฝึกจิตทำจิตใจให้สงบแล้วก็มีความสุข ไม่ต้องมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากมายอย่างที่มีกันอยู่ในสมัยนี้มุ่งไปที่เข้าของเงินทองกันทั้งนั้นตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กพ่อแม่ก็เสี้ยมสอนให้ไปหาเข้าของเงินทองกันแข่งขันกันตั้งแต่เรียนอนุบาลนะแข่งขันเข้าเลือกโรงเรียนอนุบาลเอาโรงเรียนดีด คู่เก่งๆแต่ก็เป็นครูตาบอดทั้งนั้นสอนให้เก่งในทางตาบอดไม่ได้สอนให้เก่งในทางตาดีไม่ได้สอนเรื่องศีลธรรมสอนเรื่องวิชาความรู้ที่จะไปใช้ในการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นการหาความทุกข์กัน พอทัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่สามารถให้ความสุขกับใจได้ทัพสมบัติเข้าของเงินทองนี้ให้ได้ก็เพียงแต่ปัจจัยสี่ทางร่างกายซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นมีแบบมหาเศรษฐีกันมีแบบคนธรมาามนจจนธรมดาสามัญปัจจัยสี่ของคนธรรมดาสามัญก็ทําให้ร่างกายอยู่ เป็นปกติสุขได้เหมือนกับปัจจัยสี่ของมหาเศรษฐีไม่ต่างกันผลที่ได้รับต่อร่างกายเหมือนกันคือทาให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขไม่อดอยากขาดแคลนไม่จำเป็นที่ต้องมีปัจจัยสี่ระดับมหาเศรษฐี ปัจจัยสี่ของคนธรรมดาหรือของคนขอทานก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันดูปัจจัยสี่ของพระเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนคนขอทานท่านก็อยู่ของท่านได้นางกายของพระนี่ยอยู่กันไปถึงเก้าสิบร้อยปีก็มีหลงปู่หลงตาทั้งหลายท่านก็อยู่แบบปัจจัยสี่ของคนขอทาน วันหนึ่งท่านก็เอาบาทเข้าไปบินทบาทรับอาหารตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็รับประทานไปที่อยู่อาศัยก็ตามมีตามเกิดใครปลูกกุฏิให้อยู่ก็อยู่ไม่มีกุฏิบางรูปท่านก็ไปอยู่ตามโคนไม้ไปทุ ด, ดงไปปักกรอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื้อผา อยู่ตามถ้ำนะเพราะท่านไม่ต้องท่านต้องการหาความสุขทางจิตใจเพราะความสุขทางร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยของชีวิตถ้าเปรียบเป็นปริมาณก็เหมือนน้ำในตุ่มน้ำนะส่วนความสุขของใจนี้เป็นเหมือนปริมาณของน้ำในทะเลนะมีปริมาณมากมายกว่าเยอะแยะท่านเดงนไปหา ความสุขทางด้านจิตใจไปแต่งความสุขทางด้านจิตใจกันเพราะความสุขทางด้านร่างกายคือปัจจัยสีนี้พอมันได้พอเพียงแล้วมันก็เหมือนน้าที่เต็มตุ่มนะจะใส่น้าเข้าไปอกีกมากน้อยเท่าไหร่มันก็ได้น้าแค่ตุ่มเท่านั้นเองมันจะไม่สามารถที่จะได้ความสุขมากไปกว่านั้น ความสุขของทางร่างกายนี้มีขอบเขตมีปริมาณน้อยมากน้อยกว่าความสุขทางใจที่เราสามารถที่จะหาให้กับใจได้อย่างมากมายกายกองคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยรสงสาวกทั้งหลายท่านจึงอยู่กันแบบมักน้อยสันโดษเกี่ยวกับเรื่องของ ปัจจัยสี่ของทางร่างกายมินทบาทเลี้ยงชีพใช้ผ้าบังสกุลผ้าที่เขาทิ้งผ้าห่อศพไว้ในป่าชา้าเอามาทาเป็นผ้าเป็นเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยก็อยู่ตาไปตามมีตามเกิดยารักษาโรค ก, ก็ใช้ยาดองน้ํามูดยาดองน้ำปัสสาวะนี่มาดื่มเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก็สามารถบรรเทาปัญหาต่างๆของร่างกายได้ดูพระแต่ละรูปนี้อายุยืนยาวนานเศรษฐีบางคนนี่อายุหกสิบก็ตายแล้วตายด้วยความเครียดเครียดกับทรัพย์สมบัติเครียดกับการหาข้าวของเงินทองเครียดกับการรับดูแลรักษาเงินทองเครียดกับการแข่งขันกับผู้อื่น มันทำให้ตายเร็วความเครียดนี้เป็นตัวที่มาทำให้ชีวิตสั้นคนที่ไม่มีความเครียดนี้ชีวิตมักจะยาวกว่าหลวงปู่หลวงตานี่เก้าสิบบวกขึ้นไปทั้งนั้นส่วนใหญ่มีน้อยที่ที่ตายในวัยที่ยังไม่แก่อาจจะเป็นเพราะไม่ได้เป็นพระสมบูรณ์แบบนั่นเอง ยังมีความโลภความอยากเหมือนกับผู้คลองเนิน อ, อยู่อันนี้ก็มีบ้างแต่ถ้าผู้ที่ดําเนินชีวิตแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดําเนินจะมีความสุขไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองมากทรัพย์ทางสมบัติทางร่างกายก็ให้มีปัจจัยสี่พอเพียงะ อย่างที่ในหลวงเรากส่งสอนให้มีเศรษฐกิจพอเพียงก็คือมีปัจจัยสีที่พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพก็มีความสุขได้แล้วทางร่างกายมีเท่านี้ร่างกายถ้าอยากจะมีความสุขมากกว่านั้นต้องมาเพิ่มความสุขทางจิตใจมาทำบุญทำประโยชน์ให้กับสังคมทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม เท่าที่เราจะทําได้การช่วยเหลือเมื่อจาเป็นจะต้องช่วยด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเท่านั้นไม่มีเงินทองก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้เช่นอยากจะช่วยคนตาบอดก็เป็นพาคนตาบอดไปไหนมาไหนอันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันเป็นการเติมความสุขทางด้านจิตใจ ทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นเพิ่มความสุขให้กับชีวิตอย่าไปเพิ่มความสุขทางร่างกายเพราะมันเพิ่มยังไงมันก็เพิ่มไม่ได้มันถ้าเป็นการเพิ่มก็เป็นการเพิ่มแบบแบบความสุขปลอมความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ถือถ้าเรา ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไปเที่ยวไปกินไปเดิมไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราต่างๆอันนี้อาจจะคิดว่ามีความสุขแต่มันเป็นความสุขเดียวๆแล้วมันมีความทุกข์ตามมาในภายหลังเพราะเมื่อมันใช้เงินทองแบบนี้แล้วมันก็ จะต้องใช้อยู่เรื่อยๆเมื่อต้องใช้อยู่เรื่อยๆก็ต้องไปหากันไปวุ่นวายหาเงินทองมาหามาใช้กับของที่ไม่จำเป็นมาใช้กับความสุขปลอมเพราะมันกลายเป็นการมาผลิตความทุกข์ให้ต้องไปคอยหาเงินหาทองมาใช้อยู่เรื่อยๆ ล้วได้ความสุขที่เกิดจากการใช้เงินทองก็สุขเดียวๆ เ, เป็นสุขแบบยาเสพติดทำไมเราไม่เสพยาเสพติดกันเพราะเรารู้ว่าเสพแล้วมันติดจะต้องเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่ได้เสพก็จะมีความทรมานใจนั่นเองจึงไม่กล้าเสพกัน แต่การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นเหมือนกับยาเสพติดนี่แหละเพียงแต่ว่าไม่มีใครรังเกียจเพราะทุกคนเสพกันแต่มันไม่อาจจะไม่ดุนแรงเหมือนกับการเสพยาเสพติดแต่มันก็พาให้เครียดกันพาให้วุ่นวายกันพาให้ต้องดินโดนหาเงินหาทองกันอยู่ไม่รู้จักจบจากสิ้น แต่ถ้าเราเอาเวลาหาเงินหาทองที่ไม่จำเป็นนี่มาหาความสุขทางจิตใจด้วยการทำความดีในรูปแบบต่างๆอันนี้จะไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีโทษตามมาไม่มีความทุกข์ตามมามีแต่ความสุขและเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าอยู่ติดอยู่กับใจได้นานกว่า ทำให้อยู่เป็นปกติสุขได้ไม่ต้องดินน้นหนนไม่ต้องดิ้นลนหาเงินหาทองหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำรเรอนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากผู้รู้คือพระพุทธพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์ท่านจะสอนให้เราหาความสุขทางใจกัน ความสุขทางร่างกายก็เอาพอเพียงก็พอพอให้มันสำเร็จประโยชน์ต่อความจาเป็นต่อความต้องการของร่างกายอาหารจะมือละร้อยหรือมือละพันมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันเสื้อผ้าจะชุดละพันหรือชุดละหมื่นมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันบ้านจะเป็นบ้านเช่าหรือ บ้านซื้อเองราคาล้านสิบล้านหรือร้อยล้านมันก็เป็นบ้านเหมือนกันมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันคือเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่ร่างกายเหมือนกันยารักษาโรคยารักษาแบบสามสิบบาทรักษาทุกโรคหรือไปรักษาตามโรงพยาบาลเอกชนโรกละสามแสนก็ มันก็เป็นการรักษาโรคเหมือนกันบางทีก็หายบางทีก็ตายเหมือนกันไม่มีความต่างกันมากนักจึงไม่ควรที่จะไปทุ่มเทชีวิตจิตใจทรัพยากรให้กับการหาปัจจัยสี่ให้กับทางร่างกายมากจนเกินไป เพประโยชน์มันได้เท่ากันประโยชน์ปัจจัยสีของขอทาน ค, คือของพระอริยะกับประโยชน์ปัจจัยสีของมหาเศรษฐีมันได้ประโยชน์เท่ากันมันทําให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันแล้วทาไมต้องไปเสียเงินเสียทองมากมายกายกองเพื่อที่จะได้ประโยชน์เท่ากัน เหมือนกับเวลาเราซื้อของบางทีเราก็ยังต้องดูราคากันนะของชนิดเดียวกันแต่ราคาต่างกันเราก็ต้องเอาของที่มันราคาต่ากว่าหรือเราบางทีเรายัางเวลาจะซื้ออะไรสักอย่างบางทีเรา็ยังต้องค้นหาดูในตลาดสินค้าชนิดนี้มียี่ห้อเดียวกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมด แต่ร้านนี้ขายราคาหนึ่งเหตุร้านหนึ่งขายราคาหนึ่งเราจะเลือกเอาร้านที่ขายราคาแพงกว่าหรือร้านที่ขายราคาถูกกว่าอันนี้ก็เหมือนกันปัจจัยสี่ที่เราใช้กับร่างกายมันก็มีหลายราคาแประโยชน์ที่มันทำให้กับร่างกายมันก็เท่ากันพระพุทธเจ้าจึงเลือกเอาวิธีที่ถูกที่สุดเนี่ย คือวิธีของความมักน้อยสันโดษเนี่ยเรียกว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สะดวกที่ไม่มีปัญห า, าน้อยที่สุดถ้ามีปัญหาก็น้อยที่สุดเนี่ยกินวันละมื้อก็พอเสื้อผ้าก็มีชุดเดียวก็พอหนึ่งผ้าไต่หนึ่งไตก็พอมีความมักน้อยเอาเท่าที่จําเป็นเราจะได้มีเวลาที่จะมา หาความสุขให้กับจิตใจเพิ่มความสุขให้กับชีวิตด้วยการความสุขเติมความสุขให้กับจิตใจไม่ใช่ไปหาบ้านที่ใหญ่ขึ้นมีราคาแพงขึ้นหาอาหารที่มีราคาแพงขึ้นหาเสื้อผ้าที่มีราคาแพงขึ้นมันก็ได้ประโยชน์เท่าเดิมไปเหน็ดเหนื่อยทาไม แล้วพอได้มาก็กลายเป็นภาระทางจิตใจภาระที่จะต้องดูแลรักษาเวลาหาก็เป็นภาระที่จะต้องคอยหากันมีแต่สร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างภาระให้กับจิตใจแทนที่จะเพิ่มความสุขให้กับจิจตใจกับไปสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเพิ่มความทุกข์ให้กับจิตใจโดยไม่รู้สึกตัว ชีวิตบางคนนี่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเยอะแยะไปหมดนะแต่ความสุขใจนี่แทบจะไม่มีเลยมีแต่เรื่องวุ่นวายใจมีแต่เรื่องปัญหาต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต้องปวดหัวกันมีข่าว ไ, ไหมครอบครัวมหาเศรษฐีก็แย่งสมบัติกันเองพ่อลูกแย่งกัน ต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมานี่แหละคือการมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมันไม่ได้เพิ่มความสุขให้กับชีวิตมันเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับชีวิตครอบครัวไหนไม่มีทรัพสมบัตินี้ไม่มีสงครามไม่มีสงครามแย่งสมบัติกันเพราะไม่มีอะไรจะแย่ง สังเกตหมาเนี่ยถ้าไม่มีกระดูกยอนให้มันมันไม่กัดกันอ่พะพอโยนกระดูกเข้าไปชิ้นหนึ่งเลยเดี๋ยวมันกัดกันนะมันต้องแย่งกันออนี่แหละคือความโง่เขลาเบาปัญญาของการขาดความรู้ทางธรรมทำให้หลงไปคิดว่าการมีลาบยศสรรเสริญมากๆานี้จะทำให้มีความสุขมากกัน แต่ถ้าเป็นความสุขมันก็เป็นความสุขช่่อขนาดชั่วแบบควันไฟตอนที่ได้มาดีใจกันวันสองวันแล้วความสุขนั้นจะหายไปแล้วความอยากใหม่จะเข้ามาแทนที่ได้แค่นี้แล้วไม่พออีกลวได้คืบหนึ่งทีนี้อยากจะได้สองหนึ่งละได้ล้านหนึ่งทีนี้อยากจะได้สิบล้านอนะ่ะมันจะมีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ พอเกิดความอยากขึ้นมาความสุขที่ได้หายไปหมดนี่ความอยากมันก็จะคอยกระตุ้นให้เราต้องไปดินนนนไปคิดค้นหาวิธีที่จะหาทรัพย์สมบัติมาเพิ่มขึ้นทำโครงการนี้แล้วโครงการใหม่จะทำให้มันรวยกว่านี้มากกว่านี้ต้องทำอย่างไรก็ต้องคูณสองเคยทำโครงการระดับนี้ ก็ต้องเพิ่มเป็นสองเท่าถึงจะได้รายรายรับได้กําไรสองเท่าแต่ทุกอย่างทามันก็มีมีความเสี่ยงความเสี่ยงก็ทำให้ใจไม่สบายกินไม่ได้นอนไม่หลับจะสบายก็ต่อเมื่อเสร็จโครงการแล้วสำเร็จรู้ล่วงไปก็ดีใจวันสองวันแล้วก็ทีนี้ก็อยากเพิ่ม จาก ค, คุณสองเท่าเป็นสี่เท่าเพราะามันสนุกมันมัน เ, เวลาได้มาแล้วมันมีความสุข เ, เป็นความสุขพมันจะหลอกให้เราเกิดความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกนี่คือวิชาความรู้ทางโลกที่เราเรียนรู้กันทอให้เรารู้ยิ่งรู้มากก็ยิ่งโลภมาก ยิ่งเครียดมากมเก็ะจะทำโครงการใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ขึ้นมามากๆแต่ไม่เคยคิดเลยว่าเอามาเราไปทำได้มาแล้วเอาไปทำอะไรถ้าจะมาเพิ่มความสุขให้กับชีวิตมันก็ไม่เพิ่มหรอกเพราะเงินทองมันก็ทำหน้าที่ให้ความสุขทางร่างกายเท่านั้นเองแต่มันไม่สามารถให้ความสุขทางจิตใจได้นะ ความสุขทางจิตใจนี้มันต้องอาศัยการกระทาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำถึงจะเพิ่มความสุขทางด้านจิตใจได้ความสุขทางด้านจิตใจนี้ต้องทำด้วยการแบ่งปันเสียสละแบ่งปันเงินทองที่เราไม่ได้ใช้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ ตายไปก็เอาไปไม่ได้ถ้าอยากจะเพิ่มความสุขให้กับชีวิตต้องเพิ่มด้วยการทําบุญทําทานแน่ก็ยากสาหรับผู้ที่หาเงินหาทองผู้ที่มีความหลงที่คิดว่าต้องมีเงินทองถึงยังมีความสุขเรต้องใช้เงินทองให้กับตนเองซื้อความสุขให้กับตนเอง โดยการซื้อข้าวของแพงๆต่างๆโดยการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อบ้านต่างประเทศมีบ้านที่นี่แล้วไม่พอเดี๋ยวอยากจะไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องไปซื้อบ้านที่ต่างประเทศอีกซื้ออะไรอีกอันนี้มันแทนที่จะเพิ่มความสุขให้กับจิตใจเพิ่มกับเพิ่มภาระเพิ่มความกังวลเพิ่งความอะไรความ ต้องความห่วงใยต้องคอยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆแทนที่จะมีความสุขกับมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นไปแต่ถ้าเอาเงินที่ใช้กับสิ่งเหล่านี้ไปบริจาคไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเวลาได้ทำแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจ เห็นว่าเราได้ทำประโยชน์ให้กับคนเป็นจำนวนมากสร้างโรงพยาบาลสร้างตึกโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนต่างๆอย่างในหลวงรัชการที่9เนะี่ยท่านก็ทำบุญมากมีการบริจากอยู่อย่างสม่าเสมอช่วยเหลือประชาชน ท่านอยู่แบบพระนะในหลวงเหล่าเก้าเนี่ยท่านอยู่แบบสันโดษเคยเห็นท่านทำมีอะไรรู้หลา ม, ามั้งั้ยท่านก็อยู่ธรรมดาส่วนใหญ่วันวันหนึ่งท่านจะใช้เวลาให้กับการทำงานช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักไม่ได้ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนานไม่เคยเห็นท่านาเด็ดไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่มีแต่ไปทำงาน เื่อก่อนก็ไปทั้งสามภาคไปทางทิศเหนือภาคเหนือภาคกลางไปภาคอีสานไปทำประโยชน์อะไรต่างๆให้กับผู้อื่นแต่ท่านกับมีความสุขจากการกระทำเหล่านี้ น, นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรงสอนถ้าเราอยากจะมีความสุขเพิ่มขึ้นมากขึ้นเราต้องมาเพิ่มความสุขทางใจ ถ้าเรามีความพร้อมมีความพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแล้วอย่าไปเสียเวลาเพิ่มคุณค่าของมันคุณค่าของทรัพย์สมบัติของปัจจัยสี่ไม่ได้เพิ่มคุณคไม่ได้เพิ่มความสุขให้กับชีวิตความสุขเท่าเดิมอยู่บ้านล้านหนึ่งกับอยู่บ้านสิบล้านมันก็ได้ความได้ประโยชน์เท่ากันประโยชน์ทางร่างกายเท่ากันเกินอาหารมื้อละ ร้อยกับกินอาหารมือ 100, 000, ม้อละพันเนื้อห้าพันมันก็อิ่มเหมือนกันนะอย่าไปเสียเวลากับการไปเพิ่มคุณค่าทางด้านปัจจัยสี่เพราะมันไม่ได้เพิ่มความสุขให้กับชีวิตเอาเงินที่เราจะมาเพิ่มคุณค่าให้กับปัจจัยสีน่นี้มาเพิ่มมาใช้กับการทําบุญทําทานดีกว่าทําบุญทําทานแล้วจะเพิ่มปริมาณของความสุขให้กับชีวิตน ไม่เชื่อลองทำดูลองทำแบบหนักหนักดูสักครั้งหนึ่งส่วนใหญ่แล้วทำกันแบบเบาเบาเราบริจาคสักห้าสิบเปอร์เซ็นตของทรัพย์สินที่เรามีดูดูซิเราจะมีความรู้สึกอย่างไรทรัพย์สินที่เราไม่ต้องใช้ที่เราเก็บไว้เฉยเฉยเนี่ยกลัวจะอดอยากกลัวจะตายลองบริจาคแบบนั้นดู ถ้ามันบริจาคทีเยอะๆเนี่ยมันจะเห็นผลมันจะมีความรู้สึกมีความสุขมีความปลื้มปิตนะิแต่ก็ต้องบริจาค ก, กับสิ่งที่เราเห็นคุณค่าที่เราชอบนะการทำบุญของคนเรานี่บางทีต้องทำกับบุญแบบที่เราชอบนะถ้าเราชอบสุนัขเราชอบแมวเราก็ต้องทำกับแมวกับสุนัขนะถ้าเราชอบ พระเราก็ไปทำบุญกับพระถ้าเราชอบโรงพยาบาลโรงเรียนเราก็ไปทำบุญกับโรงพยาบาลโรงเรียนชอบคนพิการอยากจะช่วยเหลือคนพิการก็ไปทำกับคนพิการต้องทำในแบบที่เราชอบแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขมากเวลาที่เราได้ทำแล้วบางคนชอบถทยชีวิตของสัตว์ไทยวัวถ่ายควาย ไปถ่ายชีวิตของสาธิตจาถูกนำเอาไปฆ่าแกงพอได้ถ่ายชีวิตให้กับเขาแล้วก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาในใจนะนี่คือวิธีเพิ่มความสุขทางให้กับชีวิตต้องเพิ่มทางจิตใจอย่าไปเพิ่มทางร่างกายร่างกายเต็มที่แล้วถ้าเป็นน้ำก็เต็มตุ่มแล้ว น้ำตุ่มเล็กเต็มแล้วทีนี้ต้องไปเติมน้ําตุ่มใหญ่คือใจน้ําตุ่มใหญ่นี้ส่วนใหญ่มีน้ํานิดเดียวเพราะไม่ค่อยได้ทําบุญทําทานกันพ่อมัวแต่หาเงินหาทองมาเพิ่มเติมให้กับน้ําตุ่มเล็กมัวแต่ไปตามน้ําในตุ่มเล็กกันตามเท่าไหร่มันก็ล้นความสุขก็ได้เท่าเดิมแล้วกลับเพิ่มความทุกข์ให้กับน้ําตุ่มใหญ่ เขาทำให้มีภาระทางด้านจิตใจมีทรัพย์มากก็เครียดมากต้องหาทรัพย์ก็กต้องเครียดนอันนี้เราควรจะรู้จักประมาณในการหาปัจจัยสี่พอเราได้พอเพียงแล้วเราก็ควรที่จะเปลี่ยนการเพิ่มความสุขให้มาทางด้านจิตใจ เอาเงินที่เหลือจากการใช้กับปัจจัยสี่ก็เอาไปทำบุญทำทานแบ่งปันให้กับผู้ที่เขาขาดแคลนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทําแล้วจะเกิดความสุขเพิ่มมากขึ้นขึ้นมาในจิตใจในชีวิตของเราเพราะความสุขของเราในชีวิตของพวกเรามีสองส่วนความสุขกายกับความสุขใจ ถ้าสุขกายเต็มร้อยแล้วก็ต้องมาเพิ่มความสุขใจซึ่งตอนนี้อาจจะมีแค่นิดเดียวมีแค่ร้อยละสิบยังไม่อีกมีปริมาณที่เราจะสามารถเพิ่มความสุขให้กับใจได้อีกเยอะถ้าอยากจะเพิ่มความสุขจากการทําทานก็ทํามันเต็มร้อยไปเลยอย่างพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ก็สะละราชสมบัติไปเลยเพื <P> ่อ <ew> er> ที่จะได้ไปเพิ่มความสุขทางใจในระดับที่สูงกว่าได้ <P ew> er> ความสุขระดับทางใจมีสามระดับด้วยกันระดับทานระดับศีล ร, ระดับภาวนาเราได้ความสุขถ้าอยากจะได้ความสุขที่สูงขึ้นนี้เราต้องผ่านระดับต่าให้ได้ก่อน เหมือนกับเรียนหนังสือเราต้องจบชั้นปถมก่อนถึงอยากขึ้นชั้นมัธยมได้อยากชั้นมัธยมถึงอยากขึ้นสู่ชั้นอุดมศึกษาได้อันนี้ก็เหมือนกันการสร้างความสุขของจิตใจมันก็มีเป็นระดับระดับระดับแรกก็ทำทานเสียสละแบ่งปัน ถ้าอยากจะขึ้นสู่ระดับที่สูงคือศีลและภาวนาก็ต้องทำให้มันเต็มร้อยไปให้สอบผ่านให้ได้คือไม่เก็บทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเอาไว้มีเท่าไหร่ให้หมดเพื่อจะได้ไปบวชได้ไปอยู่แบบนักบวชได้ไปถือศีลของนักบวชคือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่2ิบเจ็ดเนี่ย รักษาศีลได้มากใจก็จะมีความเย็นมีความสงบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่ต้องไปดิ้นนอนไปคอยหาความสุขทางด้านอื่นกันถ้าไม่รักษาศีลแปดใจก็ยังสามารถที่จะไปหาความสุขแบบยาเสพติดได้คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใบเสพกามได้อยู่ แต่พอถือศีลแปดแล้วก็าจะงดไเหมือนกับงดยงดยาเสพติดงดดืม่มสุรางดสูบบุหรี่งดเสพยาเสพติดเวลา ง, งดมันก็อาจจะรู้สึกทรมานก็มีวิธีแก้วความทรมานก็คือต้องภาวนาควบคู่ไปกับการรักษาศีลแปดถ้าภาวนาทำใจให้สงบได้ ก็จะมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งมาทดแทนความสุขที่สูญไปความสุขที่ที่ไม่ได้เสพจากการเสพรูปเสียงกลิน่นรสก็มาเอาความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบแทนซึ่งเป็นความสุขที่สูงกว่ามากกว่าดีกว่าเป็นความสุขที่ไร้พิษไร้ภัยความสุขในการเสพกามนี้ เปรียบเหมือนกับอาหารที่มีสารพิษปนเจือปนอยู่เช่นผักที่มีสารพิษเนี่ยบริโภคผักที่มีสารพิษเข้าไปเดี๋ยวก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บให้กับร่างกายได้แต่ถ้าบริโภคผักที่ปลอดสารพิษก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาการหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีสารพิษ ไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นมีแต่จะกมจัดความทุกข์ให้น้อยลงไปแต่ถ้าไปบริโภคความสุขทางกามนี่จะมีสารพิษติดมาด้วยจะมีความทุกข์ตามมาเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดนั่นเองเสพแล้วมันติดเวลาไม่ได้เสพเวลานั้นน่ะถึงจะรู้ว่ามันทุกข์ว่าเป็นอย่างไรทุกข์ตอนที่ไม่ได้ ตอนที่ขาดยาเสพติดทุกตอนที่ไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นลดมันจะทำให้รู้สึกทุกข์ทรมานใจนะแต่ถ้าไม่เสพการไม่เสพมันก็จะไม่มีความรู้สึกช่วงที่ใหม่ๆถ้าไม่ได้เสพแล้วมันทุกข์ก็มาหัดภาวนากันมาสร้างความสุขแบบใหม่กันความสุขที่ปราศจากสารพิษนะ ฝึกไปเดี๋ยวมันก็ได้ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจะทำเนื่องแม้ฉะนั้นจะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดมาในโลกนี้จะไม่มีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เพราะพระพุทธเจ้าพระสาวกก็มาจากคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละเป็นปุถุชนเหมือนกันมาก่อนไม่ได้เกิดมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้า ม่นนำมาเกิดเป็นลูกของพาอาระอรหันต์กันทุกคนเกิดมาก็เป็นลูกของปุถุชนคนธรรมดาคนที่มีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงแต่พอได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวกแล้วนำอาไปปฏิบัติพยานปฏิบัติไป ย, ยากก็สู้ง่ายก็ทำไม่ท้อแท้ พยายามฝึกไปทนไปทำไปเหมือนกับไปเรียนหนังสือเนี่ยถ้าไปเรียนทุกวันเดี๋ยวมันก็ได้ขึ้นชั้นไปเองปีหนึ่งก็ได้ขึ้นชั้นหนึ่งไปเรียนไปตั้งใจเรียนทำอะไรตามที่ครูเ็าสอนให้ทำมันก็ทำได้คนเราฝึกขัดกันได้สิ่งที่เราไม่เคยทำถ้าเราตั้งใจอยากจะทำจริงๆเดี๋ยวก็ทำได้ขอให้มีความ พยายามมีศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าการกระทำแล้วจะทำให้เกิดผลขึ้นมาการฝึกฝนอบรมการเรียนรู้จะเป็นการทำให้เราทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำได้ยากง่ายก็ช้าเร็วถ้าสำหรับบางคนที่ยากก็อาจจะช้าสำหรับคนที่ง่ายก็จะ เร็วเท่านั้นเองแต่ในที่สุดก็จะได้เหมือนกันจะทําได้เหมือนกันพอทําได้แล้วเขาก็ไม่ไปสนใจว่าได้ง่ายหรือได้ยากได้ช้าหรือได้เร็วพอได้แล้วก็ถือว่าได้เหมือนกันเหมือนคนจบปริญญาจะจบกี่ปีเรียนกี่ปีพอจบแล้วเขาก็ไม่ได้เขียนไว้ในในปริญญาว่าปริญญานี้ใช้เวลาหกปี ปิญญานี้ใช้เวลาสามปีเขาก็ถือว่าเป็นปริญญาเท่ากันอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทำได้พระอริยสงฆ์สา ว, วกทาได้เราก็ต้องทำได้เพราะท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรามาก่อนท่านท่านไม่รู้ท่านก็เรียนท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านก็หดปฏิบัติ เราไม่รู้เราก็เรียนกันเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็มาหัดปฏิบัติกันถ้าเราคิดอย่างนี้แล้ว ร, รับรองได้ว่าเราต้องทำได้กันถ้าไม่ทำไม่ได้จะไม่มีพระอริยรสงสาวกสืบทอดพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้ พระพุทธศาสนาของพวกเราที่อยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้2องพันห้ากว่าปีก็เพราะมีผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนในพระอริยสงสาวกเชื่อฟังแล้วก็ศึกษาจากท่านเหล่านี้แล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านสั่งท่านสอนจึงบรรลุเป็นพระอริยสงสาร ก, กันขึ้นมามาตลอดทุกยุคทุกสมัย มาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็เป็นผู้ที่มีโชคมีวาสนาที่ได้มาสัมผัสรับรู้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ได้มาเรียนรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำอะไรให้กับเราได้บ้างก็จะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นพระอริยบุคคล แต่พอได้มีโอกาสได้มาสัมผัสรับรู้ได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระธรรมพระไตรปิฎกหรือจากพระอริยสงฆ์สาวกพอฟังแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดศรัทธาขึ้นมาเพราะเป็นเหมือนกับเรียนรู้วิธีหาทรัพย์สมบัติอันอันน้ำ่านั่นเองพอเรารู้ว่า เรามีคุณสมบัติที่เราสามารถที่จะไปรับหรือไปหาสมบัติอันน้ำค่าได้เราก็เรียนเรียนรู้กันว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้เราได้ได้สมบัติอันนับค่านั้นพอเราเรียนรู้แล้วเราก็ไปทาตามที่เราเรียนรู้ถ้าต้องไปขุดก็ไปขุดถ้าต้องไปค้นหาก็มีแผนที่ก็เดินตามแผนที่ไป พอถึงจุดหมายที่เขาบอกให้ขุดก็ขุดเนีพอขุดได้เดี๋ยวก็ได้สมบัติเนี่ยพอแผนที่นี้เป็นแผนที่แท้จริงไม่ใช่เป็นแผนที่ปลอมนีสิ่งที่มีอยู่ก็มีสิ่งที่ในแผนที่บอกว่ามีอยู่ก็มีอยู่จริงเพราะว่ามีผู้ที่ทําตามแผนที่นี้มาเป็นจำนวนมากแล้ว ไม่มีใครมาโวยวายบอกว่าแผนที่นี้เป็นแผนที่เก๊ไปแล้วขุดแล้วไม่มีไม่เจออะไรไม่ใช่ไปแล้วก็ไม่แต่มารับรองมายืนยันกันว่าแผนที่นี้เป็นแผนที่จริงมีทรัพย์อันล้ำค่าอยู่ที่ในแผนที่นี้ถ้าเดินไปตามแผนที่นี้ทำตามที่แผนที่นี้บอกให้ทำเดี๋ยวก็ได้รับสมบัติอันล้ำค่า เพราะเรานี้ก็ได้รับมาแล้วพระรยาสงสาวกทุกลูกท่านจะพูดอย่างนี้ท่านว่าท่านไม่ถูกหลอกอย่างแน่นอนเป็นความจริงเชื่อถือได้ขอให้มีความมั่นใจเพื่อที่จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาทรัพย์สมบัติอันนําค่านี้มาเป็น สมบัติของตนต่อไปเนี่ยทความสุขระดับของจิตใจระดับสูงสุดคือพระนิพพานานี้มันก็อยู่ในเอื้อมือของชาวพุทธเราพวกเรานี้เหมือนกับผู้ที่ได้มายืนอยู่ใกล้ต้นต้นไม้แล้วมีผลมไม้บนต้นไม้เพียงแต่เราไปหา หาวิธีเอาผลไม้นี้ออกมาจากต้นนั้นนั่นเองจะเป็นขึ้นไปหรือจะใช้ไม้ใช้อะไรดึงมันตัดมันลงมาก็ทำเสียเรามีโอกาสเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนนี้จะไม่รู้เรื่องของมรรคผลนิพพานไม่รู้เรื่องของการเติมความสุขทางด้านจิตใจให้กับชีวิตก็จะลหลงไหลกับการไปเติมความสุขให้กับทางร่างกาย แล้วก็ไปสร้างความทุกข์สร้างความเครียดสร้างความวุ่นวายให้กับจิตใจเฮ้ครได้ยินข่าวมาให้เศรษฐีฆ่าตัวตายกันไหมคนมีทรัพย์สมบัติเงินทองกลับต้องฆ่าตัวตายกันเพราะไม่มีความสุขทางด้านจิตใจ pillar. อาจจะมีทรัพย์มีสมบัติอาจจะฆ่าตัวตายเพราะว่าสูญเสียทรัพย์สมบัติไปหรือร่างกายเกิดประสบอุบัติเหตุ เป็นเอามาพกอามภพาเป็นโลกที่รักษาไม่หายก็คิด eh ฆ่าตัวตายกันเพราะไม่มีไม่สามารถที่จะใช้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ได้ก็ไม่อยากจะอยู่นี่เพราะไม่มีความรู้ทางด้านธรรมะถ้าได้ศึกษาความรู้ทางด้านธรรมะก็ไม่เดือดร้อนร่างกายไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ เรามีจิตใจที่ยังสามารถหาความสุขทางจิตใจได้และเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางร่างกายเราหัดภาวนาได้ร่างกายเป็นอามาพุกรมภาพาก็ยังภาวนาได้เพราะการจเจริญสตินี้ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้สติใช้ความความคิดใช้ความพยายามที่จะคอยหยุดความคิด โดยการเจริญบทกรรมฐานบทใดบทหนึ่งจะเป็นพุทธานุสติหรืออาณาปณสติหรือกายกตาสติก็จะิญไปร่างกายไม่ต้องเคลื่อนไหวก็ได้แต่จิตใจจะสามารถเข้าถึงความสุขของจิตใจได้เข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางร่างกายได้แล้วจะไม่คิดข้าตัวตายฆ่าไปมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร ปัญหาอยู่ที่ใจกล้าไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเจอปัญหาเดิมเพราะปัญหาที่ทำให้เรามาเกิดนี้มันอยู่ในใจนั่นเองความอยากต่างๆความโลภต่างๆที่สร้างความวุ่นวายสร้างความเครียดให้กับชีวิตของพวกเราที่ทำให้เราไม่มีความสุขกัน เป้าหมายของการภาวนาก็คือการกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้นั่นเองถ้ากําจัดได้สําเร็จก็จะไม่มีตัวที่จะมาฉุดลากให้เรากลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายมีความสามารถที่จะหาความสุขทางใจได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องกลับมามีร่างกายถ้ากลับมามีร่างกายก็ต้องเจอปัญหาเดิมเดี๋ยวร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะคิดค่าตัวตายอีกอนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือวิธีสร้างความสุขที่สมบูรณ์ให้กับชีวิตของพวกเราเราต้องมาสร้างความสุขที่ขาด ขาดแคลนคือความสุขทางจิตใจความสุขทางร่างกายนี้พวกเรามีกันทุกคนมีพร้อมกันร่างกายของเราอยู่เป็นปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิพการไม่ขาดแคลนอะไรนี่ถือว่าความสุขได้เต็มร้อยแล้วทางร่างกายแต่ที่ขาดก็คือความสุขทางใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่มีความสุขยังไม่มีความสุขพอ มีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอสักทีก็เพราะว่าเราไม่ไปเติมความสุขที่ในส่วนที่ขาดแคลนเราไปเติมความสุขในส่วนที่มันมีล้นมีมากเกินไปที่ไม่ได้เพิ่มให้เกิดความสุขเพิ่มขึ้นมาแต่อย่างใดเราต้องหันมาเพิ่มความสุขทางใจด้วยการทำทานทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองก็ได้หรือด้วยกาลังกายกาลังวาจา ก็ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้ตามที่ตามที่เรามีแล้วก็ไปถือศีลของนักบวชไประ ง, งับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเปลี่ยนมาหาความสุขจักในการทำจิตใจให้สงบหาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบเนี่ยนัตสันติปาลังสุขขังจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่สมบูรณ์ก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยอำนาจของปัญญาของพระพุทธเจ้าพอได้ทำลายมันหมดแล้วเทนี้ก็จะมีเต็มความสุขเต็มเปลี่ยนภายใน ชีวิตของเราสุขทั้งกายสุขทั้งจิตใจไปจนถึงวันสิ้นสุดของชีวิตก็ยังมีความสุขต่อไปนางกายตายไปแล้วความสุขของจิตใจไม่ได้สูญหายไปกับร่างกายก็อยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดตลอดอนันตการเพราะจิตใจไม่มีวันตายความสุขที่เพิ่มที่เราสร้างให้กับจิตใจพอมันเต็มร้อย มันอยู่ในระดับที่ไม่เสื่อมแล้วมันก็จะไม่มีวันเสื่อมมันก็จะเต็มร้อยไปตลอดนี่คือจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอรณันตสาวกทั้งหลายที่ได้รับการพัฒนาจากการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เองถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวกมาใช้ ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าของผู้รู้ผู้ที่มีหูตาสว่างนี้ไปปฏิบัติกันเพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนทิสาคลังเอวเมวะอโตทิน e ังเปตานังอุปการปฏิอ an ิชิตังปฏิต um ังตุมังคิปเมวาสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนะหราโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพิติโอวิวาจันโตสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภวะตวันตาราโยสุขิทีขายุโกภวะ าพิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนยตาโรธมรวะทานติอายุวนโนสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถาม ใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วก็จะของดถามถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่คะวันนี้จาก Facebook 473 YouTube 292วิทยุออนไลน์2รับฟังบนเขา41รวม แปดร้อยแปดท่านค่ะเฟบูคคืนถึงสี่ร้อยกว่ากับห้ารนะ้อยนะตั้งแต่เปลี่ยนกลับไปใช้หน้าเก่ารู้สึกว่าสมาชิกจะเยอะกว่าหน้าใหม่มีผู้ติดตามเยอะกว่าก็ตอนนี้ถ้าใครอยากจะถามก็เชิญถามได้ญาติโยมส่งไมครกโฟนให้เธอหน่อยอยู่ข้างหน้านี่อเดี๋ยวส่งไมค์โฟ น, นพูดใกล้ๆปากนะคือจ กับเรียนฐานท่านนะคะคือว่าสมมติเราปฏิบัติภาวนาเนี้ยของชาตินี้แล้วก็ชาติหน้านี้สะสมไปได้ไหมคะมันก็ติดเป็นนิสัยไปผลที่ได้มันก็จะไปรับผลแล้วส่วนนิสัยก็จะติดเป็นนิสัยไปกรรมมาก็ทำต่อได้เคยเห็นแบบว่าเหมือนคนเหมือนในที่ทำงานมีบางคนนี่เหมือนเขาเหมือน เรารู้สึกไปเองหล่ามันคือเหมือนชาติที่แล้วกขาวานาเยอ ะ, อะแล้วก็เหมือนเขาสติปัญญาเขาดีมากเลยรู้สึกเขาสมาธิอะไรก็ดีแต่ชาติตนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยแล้วเราจะทราบได้ไงว่าชาติหน้าจะได้ปฏิบัติป่ะคือคือไม่อยากให้เป็นเหมือนเหมือนที่เราเคยเห็นในชาตินี้ที่แบบว่าก็บางทีเขาถูกกิเลสเราให้ไปหลงกับอย่างอื่นแทนเดี๋ยวบางทีอาจจะต้องมีอะไรกระตุ้นให้เขากลับมาเช่นเจอความทุกข์เจอความเสียใจอะไรบางอย่าง ก็อาจจะเข้าวัดเข้าหาที่พึ่งทางใจพอได้ฟังยินได้ฟังก็เหมือนกระตุน้นไฟเก่าให้ลุกขึ้นมาใหม่พอมาฝึกทำใหม่มันก็ได้ผลเร็วคนที่เคยทำมาแล้วพอมาทำจะรู้สึกจะเร็วกว่าคนที่ไม่เคยทำคนบางคนเข้าวัดปฏิบัติมานานกลับไปไม่ถึงไหนแต่บางคนที่เข้ามาปุ๊บปั๊ บ, ปบไปบวชไปบวชได้เลยไปปฏิบัติ ได้เลยเพราะว่าเขามีความสามารถอยู่เดิมแต่บางทีก็ยังมาหลงกับแสงสีเสียงกับการหาลาบยศสรรเสริญเยอะเวลามาเกิดอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาผลักดันให้ไปทางนี้กันจนกระทั่งวันหนึ่งอาจจะไปเจออุปสรรคเมื่อมีอะไรมากระตุน้นอย่างพระพุทธเจ้าเห็นไหมก็ต้องไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย ถึงมีอะไรมันก็ตุ้นให้ใจเริ่มคิดว่าเฮนี่ไม่ใช่ทางที่เราควรจะไปก็จะคิดหาทางใหม่แล้วก็จะคอยค้นคว้าหาความรู้ไปจนกว่าจะเจอความรู้ที่เคยทำมาแล้วพอเริ่มปฏิบัติก็จะปฏิบัติได้ง่ายได้ผลเร็วก็คือว่าที่ชาตินี้ที่เขา ยังหลงในแสงสีคือกิเลสมันใช่ไหมค ะ, ะความหลงยังหลอกอยู่แล้วสิ่งแวดล้อมเป็นตัวคอยป้อนให้เขาหลงอนี่อยู่กับครอบครัวที่ส่งเสริมให้หาราบยศเสริญทุเสริญอาจจะเป็นครอบครัวมีฐานะมีการเงินการทองก็ต้องรับภาระคอยช่วยเหลือครอบครัวทาํางานทําการธุรกิจทางบ้านไปะถ้าจะทิ้งก็รู้สึกว่าจะขัดกับนะกับทางบ้านก็ไม่กล้าเลย ก็แต่ก็สักวันหนึ่งมันจะหยิ่มตัวของมันแล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่พอมันก็เขาก็จะไปกลับไปหาทางที่เขาเคยทําอยู่ต่อไปแล้วอย่างชาตินี้ที่เราทํำนี่เรากลั ว, ว่าชาติหน้าจะเป็นอย่างนี้เราต้องแก้ชาตินี้ต้องทํำยังไงบ้างคะที่ให้เกิดกิเลสมาของชาติหน้าที่จะเป็นอย่าง อ, าอย่างที่เราเห็ น, นก็ต้องเข้าไปนระดับโสดาบันนั่นน่ะถึงจะไม่เปลี่ยน สดาบันแล้วมันจะมันจะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วมันรู้แล้วอะไรสุขอะไรทุกข์อะไรไม่ใช่อะไรใช่พอกลับมาเกิดมันจะไม่ไปหลงกับแสงสีเสียงกับอะไรมันเข้าสู่กระแสไปสู่พระนิพพานแะล้วพอได้เป็นพระสดาบันขึ้นไป แล้ยังเป็นปุตุชนอยู่นี่มันยังไม่แน่เพราะพระพุทธเจ้านี่กว่าจะได้บวชต้องอายุยี่สิบเก้านเพราะยังติดอยู่กับเรื่องภารลังพ่อนะเพราะต้องการให้สืบทอดพระราชาสมบัติเพื่อจะให้ไปเป็นพระมหาจากักรพรรดิก็พยายามขังไว้ในในวังไม่ให้ออกไปนอกวังไม่ให้ไปเห็นความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตาย วันหนึ่งก็อยากรู้ว่าข้างนอกเป็นอะไรก็เลยหนีออกไปเที่ยวออกไปก็ไปเห็นสัจธรรมของชีวิตเห็นความทุกข์ของชีวิตก็เลยทำให้คิดว่าต้องทำอะไรเห็นนักบวชก็เลยเห็นทางว่ามีทางสู่การพ้นจากความทุกข์ได้ต้องไปบวชเนี่ยตามต่อ ใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาได้ถ้าไม่มีใครถามก็เอาทางบ้านต่อคำถามจากคุณอ้อยนะคะโยมเห็นเพื่อนที่กเกษียณแล้วยังทำงานเป็นตัวแทนขายของโยมเลยถามเขาว่าเงินบำนาญไม่พอใช้หรือและแนะนำให้ดูแลสุขภาพตัวเองและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นสเสบียงบุญต่อไป แต่กลับโดนต่อว่าและบอกว่าที่เขาทำอยู่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นให้มีงานทําเขาว่าเขาได้บุญแล้วโยมไม่ได้โต้อตอบเพราะว่าเส้นทางคนละทางกันแต่โยมไม่ได้โกรธเขาจึงเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมผิดไหมที่แนะนำเขาไปอย่างนั้นก็มันต้องดูกาลเทศะดูว่าเขารู้หรือไม่รู้แล้วเขาพร้อมที่จะรับรู้หรือไม่ ก็ควรจะพะเดียงกันคุยพูดคุยไปก่อนเป็นดูว่าเขาสนใจหรือไม่แต่อย่าไปแบบชี้แนะชีวิตของเขาคนเราไม่ชอบให้ใครมาชี้แนะชีวิตแต่อาจจะเสนอข้อความรู้ได้แต่อย่าไปบอกคุณควรจะทำอย่างนั้นควรจะทำอย่างนี้ มันจะไปขัดกับกิเลสของคนคนเราไม่ชอบให้มาคนมาคอยชีย้มาบอกให้ทํานู่นทนํานี่เหมือนกับว่าไปบอกเขาว่าเขาโง่นั่นเองไม่มีใครอยากจะรับว่าตนเองโง่นะทุกคนคิดว่าตนเองฉลาดเห็นการที่จะสอนคนนี้บางทีต้องสอนแบบอ่มีอุบายไม่สอนแบบพูดตรงๆร อาจจะพูดแบบอ้อมไปอ้อมมาให้เขาได้ข้อคิดของเขาเองถ้าเขาคิดได้เขาก็เอาเขาก็อาจจะเอาไปทำประโยชน์ดได้ถ้าเขาคิดไม่ได้ก็แล้วไปคำถามจากคุณบีนาถ้าพ่อแม่ยกบ้านให้เราหนึ่งหลังให้พี่หนึ่งหลังและพี่จะมาอยู่บ้านที่พ่อแม่ยกให้เราถ้าเราปล่อยให้พี่ยึดบ้านที่พ่อแม่ยกให้เราถือว่าเราไม่รักษาทรัพย์หรือไม่คะ ก็ไม่รู้ล่ะรักษาหรือเปล่าเนาไม่รักษาก็ไม่รักษาสิรักษาก็รักษาก็เท่านั้นน่มันไม่เห็นจะมีปัญหาตรงไห น, นถ้าเราอยากจะยกให้เขาก็ได้เนียถ้าเราเป็นคนใจบุญเราไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติถ้าเรามีบ้านของเราอยู่บ้านนี้ถ้าเขาไม่มีอยู่เขาจะไปขออยู่ก็ให้เขาไปก็ได้เราก็ได้บุญไป พ่อแม่ให้สมบัติเรามาแล้วเป็นของเราแล้วเราจะไปขายทิ้งก็ได้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องรักษาพ่อแม่ให้ไว้ไม่ให้เรารักษาให้ไว้เพื่อให้เราทําประโยชน์ให้กับชีวิตของเราท่านเป็นห่วงเราท่านกลัวว่าเราจะโอดอยากตกทุกข์ได้ยากไม่มีที่อยู่อาศัยก็ให้บ้านเราให้อยู่ แต่ถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องใช้บ้านนี้เรามีบ้านของเราอยู่แล้วองนี้ก็อยากจะขายไปเพื่อเอาเงินทองไปทําประโยชน์เรือให้คนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากบ้านนี้ก็ให้เขาไปอก็เป็นการถือว่าเราก็ได้ทําบุญทําทานเนียกเว้นว่าในพินัยกรรมพ่อแม่เขาเขียนว่าเราต้องใช้คนเดียวไม่ให้คนอื่นใช้ถ้าอย่างนี้เราก็ต้องทําตามถ้าเรารับมาแล้วอ ใครยังมาขออยู่ก็บอกว่ามให้อยู่ไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่สั่งให้เราอยู่คนเดียว <laughs> ห้ามขายห้ามห้ามขายห้ามเช่าห้ามอะไรทุกอย่างให้ใช้ให้อยู่อย่างเดียวเ อ, อแต่เขาเขียนอย่างนี้ถ้าเรารับเราก็ต้องทําตามที่เขาสั่งไว้ถ้าเราไม่ทําตามที่สั่งไว้เราก็อย่าไปรับบอกรับไม่ได้เงื่อนไขนีออ้จะให้ขายก็ให้ไปเราไม่เอาเออ คำถามจะคุ้นวารสกีการเล่นกีฬาถือว่าเป็นการออกกําลังกายประเภทต่างๆที่มีผลทําให้การเข้าสมาธิยากขึ้นหรือเปล่าครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ฝึกสมาธิแล้วจิตสงบได้บ่อยครั้งพอกลับมาออกกําลังกายแล้วทําให้สมาธิไม่ได้รู้สึกว่าจิตไม่สงบมีมีความปวดเมื่อยอยู่ตลอดปัจจุบันรักษาศีลห้าอยู่ครับ ถ้าออ ก, กําลังกายโดยไม่ออ ก, กําลังใจควบคู่กันไปมันก็ทําให้การฝึกสมาธิเสื่อมได้แต่ถ้าออกกําลังกายไปพร้อมๆกับออกกําลังใจคือสติไปด้วยมันก็ไม่เสื่อมถ้าเราทําอะไรทางร่างกายควบคู่ไปกับการทําทางจิตใจคือการมีสติก็ไม่เสื่อมแต่ถ้าทําแบบไม่มีสติทําแบบปล่อยให้ใจลอยคิดเพ้อเจ้คิดเพเอ้อฝัน คิดอะไรไปอย่างนี้เวลาจะมาทําสมาธิมันก็ไม่มีสติที่จะมาขอยดึงใจให้เข้าไปข้างในได้นะเฉั้นการออกกําลังกายนี้เราสามารถทําได้ทั้ง2ควบส อ, อย่างออกทั้งกําลังกายออกทั้งกําลังใจครูบาอาจารย์ท่านก็ยังออกกําลังกายแต่ท่านออกแบบเดินจงกรมเห็นไหมการเดินจงกรมนี่ก็เป็นการออกกําลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาวนานเอโรคภัยไม่เบียดเบียนเนี่อา น, นิสงค์ของการเดินจงกรมแต่ท่านก็ไม่ได้เดินเฉยๆเหมือนพวกเราเดินแบบช้อปปิง้งเดินไปก็อยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ท่านเดินแบบมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งให้พุทโธไปหรือดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายป๋าไปหรือถ้ามีสติก็คอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งให้สักแต่ว่ารู้ไป อย่างนี้ท่านก็จเจริญสติรักษาสติครอบควบคู่ไปกับการออกกำลังกายถ อ, อย่างนี้เวลามานั่งสมาธิก็จะสงบได้เหมือนเดิมหมดแล้วนะออมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีเดี๋ยวรอคำถามป๊อนะครับคนะำมาเท่าค่ะคือมีบางครั้งโยมนั่งภาวนานแล้ว มีความรู้สึกว่าเหมือนตกจากที่สูงอะคะอ่ะ ม, มันวุบแล้วทาให้ตกใจแลยค่ะไม่ทราบว่าแล้วก็ลืมตาเลยก็ถ้าตกใจมันก็สติหายไปถ้าถ้าถ้าไม่ตกใจรู้เฉยๆก็สติยังมีอยู่ก็ต้องพยายามขับคับประครองใจด้วยสติเวลามันวูบลงไปก็ให้รู้เฉยๆ ตกใจแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปแต่เราก็รู้ต่อไปมีสติดูใจต่อไปไม่ต้องลืมตายใช่ไหมไม่ต้องลืมตายก็ถือว่าจิตมันเข้าสู่ความสงบนะเวลามันตกลุมตกบ่อ น, นี่แสดงว่ามันก็เข้าสู่ความสงบ ก, ก็ให้มีสติรู้ไปรู้ว่าตอนนี้มันตกลุมตกบ่อแล้วมันนิ่งมันเย็นสบายเมื่อกี้ตกใจเพราะว่าไม่เคยเจอครั้งแรกมันอาจจะตกใจ ต, ตกใจแล้วเราอย่าไปเลิกภาวนาตกใจแล้วเราก็ภาวนาต่อไปอใช้สติดูใจควบคุมใจต่อไปแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งโยมมาพักภาวนาที่วัดนะคะแล้วแบบว่าไม่ทราบว่าฝันไปหรือเปล่าแต่ไม่วังรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีใครมากระซิบข้างหัวว่าให้ให้ให้พิจารณาอ่ะ อริยส in ini, ัตวสี่กับอริภคกรรมฐานแต่ว่าโยมปัญญาทึบประไม่ทราบว่าจะพิจารณาไงอาจารย์ช่วยอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆอ่ะก็ไปศึกษาคำาพิจารณาก็คือศึกษาหนึ่งศึกษาให้รู้ว่าอริยสัตว์สี่มีอะไรบ้างมีอยู่สี่ข้อทุกข์สัตว์คือข้อที่หนึ่งอะไรคือทุกข์ทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายการพลาดาดจากกันการพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนา สรุก็คือการยึดติดอยู่ในขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คือความทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเกิดอย่าไปยึดไปติดถ้าไม่อยากจะเกิดก็ต้องไปละเหตุที่พามาให้เกิด <c oughs> เหตุที่พาให้ไม่เกิดก็คืออรยาายิยสัจข้อที่สองเรียกว่าสมู ท, ทยัยเหตุที่พาให้มีการเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัณหาทั้งสาม การมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาการมาตัญหาความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องมีร่างกายก็เลยต้องมาเกิดเวลาตายไปปับ๊บก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้กลับมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่อภาวตัญหาก็อยากจะร่ำอยากจะรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตวะวิภาวะตัญหาก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ความอยากเหล่านี้มันพาให้จิตเราดิ้นรนหาร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆต้องพาให้เรามาเกิดพอเกิดก็ต้องมาเจอสภาพของร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่ต้องพัดพากจากกันที่ต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันถ้าเราไม่ต้องการจะมาเกิดเราก็ต้องใช้เครื่องมือหยุดความอยากเครื่องมือที่จะหยุดความอยากก็คืออริยสัจข้อที่สี่ก็คือ มรรคแปดหรือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องการมีความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากเราก็ต้องมีเครื่องมือมีมรรคแปดมีศีลสมาธิปัญญาหรือมีทานศีลภาวนาเหมือนกันนี่เป็นมรรคเหมือนกันเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราหยุดความอยากต่างๆได้ หยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้สรุปแล้วก็คือการปฏิบัติของเราก็คือเพื่อสร้างเครื่องมือเอามาหยุดความอยากความอยากนี่อยู่ดีๆบอกให้ต่อไปนี้ฉันไม่อยากแล้วนะเป็นไปไม่ได้พูดได้สองคำเดี๋ยวก็ปากเปรี้ยวขึ้นมาเลยเดี๋ยวก็อยากจะเดิมนู่นเดิมนี่เข้ามาเดี๋ยวมีคนจะถามอีกทั้งนี้ส่งไปให้หน่อยส่งไม่ไปหน่อย กาบนักส ก, การ์ป้อาจารย์ครับอที่ผมถามนี่ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติคนระแค่สงสัยเฉยครับคืออย่างสมมติเนี่ยนะฮะเราเราปฏิบัติครูบาอาจารย์องค์หนึ่งใช่ไหมฮะสมมติเราไปรับท่านเนี่ยฮะเราไปรับท่านเพื่อจะไปงานหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็คือทางเจ้าภาพงานเนี่ยฝากบอกว่าให้เราไปไปรับผ้าจารย์อีกองค์หนึ่งเหมือนกันระหว่างทางแต่เนี่ยพผ้าจารย์องค์แรกที่ผมไปรับเนี่ยท่านบอกว่าจะไปไม่ทันสวดมนต์ให้ไปเลยผมก็เลยไป เสร็จแล้วพอไปเสร็จอาจารย์องค์ที่สองเนี่ยก็ไม่ได้มางานพออาจารย์องค์ที่สองไม่ได้มางานเขาก็ทางเจ้าข้าเขาถึงจัดรถไปรับพอรุ่งเช้าวันนั้นเนี่ยพอคืนนั้นผ่านไปรุ่งเช้า น, นั้นผมเจอท่านองค์อะไบอกว่าเออผมไม่ได้ไปรับเนี่ยเพราะว่าพระอาจารย์องค์นี้เนี่ยท่านท่านท่านบอกไม่ให้ไปรับอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยผมถือว่าผมทําให้สงแตแกแย่กันไหมฮะ ทำให้เกิดการยุยงสงแตกแยกกันไหมครับผมแค่พูดอย่างเงี้ยเฉยครับ อ, อ๋อไม่ถึงขั้นนั้นหระเป็นการไม่รู้จักบริหารเวลาเท่านั้นเองหมายถึงผมออใช่ไหมออรครับเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรได้ไม่ได้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็อย่าไปรับปากอครับเพราะว่าตอนนั้นไฟมันลงมาแล้วแบบระยะทางมันไกลพอดีมันออมันไปแล้วทีนี้ผมก็อาจจะไม่ทราบอย่างเงี้ยไม่เคยไปออครับ ก็ต้องดูความสามารถของเราแล้วต้องอาจจะต้องถามพระที่เราจะไปรับรูปแล้วว่าท่านยินดีให้เราไปรับอีกรูปมาหรือเปล่าอาจจะอยู่ต่างสำนักกันอาจจะอยู่ถามแล้วครับท่านบอกว่าไปได้แต่พอดีมีพระอีกองค์ที่ไปด้วยบอกว่ามันไกลแล้วก็ไปลําบากมากจะไปไม่ทันสวนมดมนต์ครับ<อ>ผมก็เลย ก็ก็ต้องผมก็ต้องว่าไปตามนั้นครับเขาเขาบอกเนี้ยก็ให้เราก็ต้องไปแจ้งเจ้าภาพเขาบอกว่าเราไปไม่ได้ใช่ครับพอไปแจ้งไปแจ้งผมมาแจ้งเรียบร้อยแล้วเขาถึงให้คนไปรับอีกทีนี้พอรุ่งเช้ามาผมก็เลยเจอพระองค์ที่2เลยถามว่าเมื่อคืนเนี้ยผมไม่ได้ไปรับนะครับท่านเพราะว่าอย่างที่บอกไงละครับผมก็เลยเกงว่าเอ๊อย่างเงี้ยผมจะทําให้ครูบาอาจารย์ท่านไม่รับครูบาอาจารย์ท่านมีเหตุมีผลท่านไม่ไปคิดถึงไม่ใช่เรื่องสงแตกแย แล้วไม่เกี่ยว <c oughs> กันมีแค่นี้แหละครับคร <c oughs> <c oughs> ับผมใช่ต้องแตกแยกต้องยุให้อาจารย์องนี้ทะเลาะ ก, กับอาจารย์องนี้เ <c oughs> นี่ยทีนี้นเรียกว่าทาให้สงแตกแยก <c oughs> ไปบอกว่าหลวงพ่อองนี้พูดว่าท่านไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปบอกอีกองว่าหลวงพ่อองนี้พูดว่าท่านไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเ <c oughs> นี่ยอยากทราบอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดคนพูดเนี่ยคือสมมุติ มันเป็นเรื่องจริงครัมันเป็นเรื่องจริงก็ไม่ควรพูดอยูแล้วก็ไม่ควรพูดเป็นการเทศะควรจะเป็นควาไม่แบบเหมือนแตกแออใช่ไปก่อให้เขาเกิดความแตกแยกเหมือนสามีภรรยาเนี่ยเขารักกันดีอยู่ดีดีไปบอกภรรยาว่าเห็นพี่เขาไปเที่ยวงานผมนวดอย่างนี้พี่แจ๊ครับผมผมกลัวเรื่องสาระเทศนะอันตรายกรรม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก แต่ก็ไม่ควรที่ไปพูดยุยงเขาเรียกว่าพูดจาส่อเสียดนี่ความึความส่อเสียดคือพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีเรีว่าพูดส่อเสียดสมมติสมมติถามีกทีครับสมมุติถ้าพระอาจารย์อย่างพูดสมมติพูดส่อเสียดเนี่ยไม่แตกแยกสามัคคีเนี่ยจัดข้าเป็นสังปเภทไหมเป็นยังยังมันถ้ายังสองยังไม่แตกแยกก็ยังไม่เป็นต้องต้องแยกเป็น2ส่วนไปเลยต้องต้องมีต้องมีตั้งแต่ ฝ่ายนึงสี่ลูปสีู่ปอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่คือไม่คือแยกเป็นสองศาสนาไปเลยอออย่างเงี้ยถึงใหญ่สองสองศาสนาไม่ยุ่งเกี่ยวกันสองนิกายนี่ยังถือว่าศาสนาเดียวกันอยู่อผมมีคาถามหนึ่งครับมันมันมันสงสัยฮรคือผมเคยได้ยินมาว่า การที่ก่อตั้งการที่มีนิกายธรรมยุทธ์กับมหากนิกายเอันนี้ก็ยังไม่ยันนี้ไม่แตกแยกมันยังศาสนาเดียวกันอยู่ยังนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันอยู่ต่างความคิดในเรื่องของการรักษาวินัยท่านเหมือนเหมือนมหายานกับหินนยานนี้ก็ต่างกันเพราะว่าผมเคยได้ยินมาบอกว่าพอร์สนายรัชการที่สีท่านท่านตั้งขึ้นมามาเป็นแบบนี้ให้มีธรรมยุทธ์นิกายกับมหานิกายกลายไปว่าเขามีการพูดกันว่า ท่านทําให้สงแตกแยกกันไม่แตกหรอกไม่แตกหรอกถ้าสงก็ยังมิยังเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังมีศาสนาเดียวกันอยู่เพียงแต่ว่าวิธีปฏิบัติต่างกันเท่านั้นเองเพราะการศึกษาความเข้าใจในคําสั่งคําสอนไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเท่นั้นเองอย่างนี้พระป่า ก, กับพระบ้านก็แตกแยกกันแล้วสิ <c oughs> เราอยู่คนอยู่เป็นคนละแบบเนี่ยมันไม่แต ก, กมันเป็นวิธีการ การเข้าใจในหลักธรรมคำสอนและการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนนั้นาสามารถที่จะปฏิบัติได้มากน้อยทางต่างกันเท่านั้นเองอยังยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอะไรทุกอย่างนอกจากว่าถ้าแยกเป็นสองมีสมัยพุทธกาลเนี่ย อย่างพวกเทวทัตเนี่ยจะแยกเป็นศาสดาเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่ามีสองศาสดาอ่าอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าแตกแยกกันละเป็นสองศาสนาละคนเชื่อเทวทัตก็ไปกับทางเทวทัตคนเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไปกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าแตกแยก ตอนนี้มีกี่นิกายก็ยังมีครูบาอาจารย์คนเดียวกันอยู่มีพ่อคนเดียวกันอยู่ยังเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เหมือนเดิมยัง่ไม่ใช่ถือว่าเป็นการทำให้สงฆ์แตกแยกแต่เป็นการทำให้สงฆ์อาจจะดีขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะคนที่เห็นว่าสงฆ์อ่อนหย่อนยานก็ต้องมาฟื้นฟูใช่ไหมเพราะว่าบางที ศึกษาไปแล้วอาจจะศึกษาแบบไม่ไมสมบูรณ์ก็เลยปฏิบัติไม่สมบูรณ์พอมีคนที่ฉลาดมาศึกษาแล้วบอกให้มันไม่ใช่นะ ต, ต้องทำแบบนี้แบบนี้นะ mm hmm. เขาก็าไปทำต่อ mm hmm. ก็ท่านั้นเองเป็นการพื้นฟูคำสอนที่ถูกต้องให้มาปฏิบัติกันเพราะยุค ก, ก่อนที่ยังมีธรรมยุทธพระท่านก็เริ่มเสื่อมไปทำ กิจนอกศาสนาไปเป็นหมอดูไปเล่นหมักลุกไปเตะตะก้อกันอะไรอย่างนี้นี่รอส่ท่านบวชท่านท่านศึกษาท่านหอกนี้มันไม่ใช่กิจของสงฆ์ท่านก็เลยเวลาบวชท่านก็ไม่อยากจะบวชกับผ้าแบบนี้ดานก็ไปบวชกับผ้าที่เข้งคัดเป็นผ้ามอญก็เลยเป็นกลุบขึ้นมาพอมีคนศรัทธาปฏิบัติตามก็เลย กลายเป็นนิกายเล็กขึ้นมาธรรมยุทธ์นี่เป็นนิกายเล็กนะนิกายใหญ่นี่้9ต่อ1ต่อหนึ่งขนาดนิกายเดิมที่เรียกมหานิกายนี่มีประมาณ10เท่าของธรรมยุทธ์นิกายเท่นั้นเอง แต่ก็ยังเป็นศาสนาเดียวกันอยู่เป็นสงฆ์เจอกันก็ยังร่วมทำอะไรกันได้ใช่ไมนิมนต์ไปกิจครับในหลวงก็นิมนต์ทั้งทั้งมานิกายทั้งธรรมยุทธ์ไปอันนี้ถือว่าเป็นเพียงต่างต่างกันในในการปฏิบัติตามคำสอนธรรมกานี่ก็เิดธรรมกายก็ก็ทำตามคำสอนเหมือนกันเขาก็เลือกแนวของที่เขาชอบเขาถนัด แ, และสายก็เลยกลายเป็นสายสายไปสายหลวงพ่อเทียนสายของพม่าวิปัสสนามันก็มันก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นก็เลยไม่ถือว่าผิดนเะว่ามันเป็นแนวทางของการปฏิบัติที่มีหลากหลายทางสู่พระนิพพานนี่มีหลายเส้นแต่พอเข้าเส้นของปัญญามันจะเข้าไปเส้นเดียวกัน แต่ก่อนถ้าเข้าไปทางปัญญาทางสมาธินี่มัน ม, มีหลายวิธียุบหนอพองหนอก็วิธีหนึ่งพุทโธพุทโธก็วิธีหนึ่ง ด, ด, ววงดูดูนิ้วก็ ว, วิธีหนึ่งนับนิ้วก็ ว, วิธีหนึ่งมันก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันแต่พอมันเข้าสู่ปัญญามันต้องเข้าสู่อริยสัจ ส, สี่ไตรลักษ์เหมือนกันหมดถึงจะเข้าสู่นิพพานได้เ อ, อ ถ้าเราไม่ศึกษาแล้วก็เป็นเหมือนพวกตาบอดคำช้างแล้วก็มาเถียงกันนะว่านิกายนี้ผิดนิกายนี่ถูกนไะอ้พวกจับหางช้างก็บอกช้างมันต้องเป็นเชือกนะไอ้คนไปจับงกูบก็เฮ้ยมันเป็นงูวยะมันก็ถูกด้วยกันทั้งสองฝนะ่ายะมีธีฝึกสมาธิก็มีสี่สิบวิธีเนะถียงกันไปปากเปียกปากฉีกมันก็ทําจิตให้สงบได้เหมือนกันเอ ถ้าไม่ศึกษาจากแหล่งคือพระไตรปิฎกมันก็จะไม่รู้กันเพะฉะนนคนเราบางทีขาดความศึกษากันไม่ค่อยยอมศึกษาจากพระไตรปิฎกกันอาศัยเอาง่ายๆเจ อ, ลอหลวงพ่อองค์ไหนก็ฟังหลวงพ่อองนั้นองค์เดียวแล้วก็เชื่อท่านไปท่านผิดท่านถูกก็ไม่รู้ล่ะท่านสอนอย่างงี้ก็เชื่อท่านไปพอคนอื่นสอนต่างจากหลวงพ่อก็หาว่าเขาสอนผิดนะเี่ย เหมือนพวกตาบอดคำช้างต้องอย่าเป็นตาบอดคำช้างต้องอ่านพระไตรปิฎกอ่านหลักคำสั่งคำสอนต่างๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็จะได้รู้ว่าภาพรวมเป็นยังไงเป็นทั้งเชือกเป็นทั้งงวงเป็นทั้งงาเป็นทั้งห อ, อกเป็นทั้งฝาผนังเป็นหมดเนะ่ยตัวช้างมันมีหลายส่วนศาสนาก็มีหลายส่วน ถ้าไปศึกษาส่วนเดียวก็คิดว่านี่คือศาสนาอย่างอื่นไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่นะต้องต้องไปศึกษาภาพรวมของศาสนาเี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีหนังสือพระไตรปิฎกสาหรับประชาชนเนี่ยย่อมาเป็นหนึ่งเล่ม้องเปิดอ่านไปเรื่อยจะได้เรียนรู้อะไรมากมายกายกองหรือถ้าอยากจะเอาแบบง่ายๆก็มีหลักสูตรนักธรรมตรีเนี่ยของสงฆ์เขาจัดไว้ อาจะรวบรวมคําสั่งคําสอนต่างๆเป็นหมวดหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามว่าหมวดหนึ่งมีอะไรหมวดสองมีอะไรบ้างแล้วเราก็ได้เรียนรู้วันนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะมีคําถามอมั้ยไม่มีครับอ้าวเอาเลยเอาเลยเอาให้เสร็จเลยมงถามเรื่องสิ่งแปครับคือนี้ออย่างผมเนี่ยผมจะผมผมจะไปยางยาม่าทุกวันพักนะครับสิ่งแป แต่ว่าคือยกตัวอย่างนะฮะคือคืออย่างอย่างแตดข้ อ, ขอผมพูดง่ายๆนะผมว่าผมทาได้จริงเนี่ยอาจจะแค่หข้อหรือเจ็ข้อเนี้ยครก็ดีกว่าไม่ทำนะแล้วแล้วก็มี ค, ำคำําคําพูดอีกคําพูดหนึ่งว่าน ะ, ะคาพูดว่าถ้าทําแบบเนี้ยสูไปรักศิรรักษาสินให้บริสุทธิ์ไม่ดีกว่าเหรอก็สินให้ก็บริสุทธิ์อยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ครับอย่างสมมติอาจจะมี เขาต้อขบข้อเนี่ย้องไปสองแต่ว่าสองที่พองเนี่ยอาจจะพองในสี่ห้าอะไรแบบนัเนี้ยโดยเฉพาะข้อสี่นะครับคืออย่างเราทํางานเราเป็ขับมันมันพ่องตรงนั้นมันก็พ่องตรงนั้นน่ะไม่จําเป็นว่าจะเป็นศีลแปดหรือสิ่ห้าหรอกแต่แต่ว่าก็ก็ก็ยังดีกว่าใช่ไหมครับอรักษาได้มากยิ่งกว่ารักษาได้น้อยพูดง่ายง่าอแล้วแล้วแล้วอ่าพูดถึงเรื่องออกกาลังกายสมมุติ ผมออกกําลังกายเนี่ยอันนี้ไม่ผิดใช่ไหมฮะไม่ผิดเพียงแต่ว่าเราต้องรู้การละเทศะไปออกกําลังกายในยที่ไม่ควรออกก็ไม่ไม่ควรไปอยู่วัดแล้วไปกระโดดโลดเต้นเป็นเล่นโยคะไปผมไม่ได้ไปถือศีลไปนอนวักอยู่บ้านแต่ว่าบางทีเนี่ยก็คือผมก็สงสัยว่าปกติเมียเดินยืนเดินนั่งนอนมีเสียงแล้ี่บวชนี่เราวิ่งเราออกกําลังกายเนี่ย อ, อ, อันนี้ก็เอ๊ะมันมันมันมีส่วนทําให้ให้ ไห้ผิดผิดจากสินข้อนี่ไหมครับสินแปดไหมคไม่ผิดหรอกอเพราะว่าศินแปดไม่ได้ห้ามห้ามไม่ให้ใช้ร่างกายไปกับเรื่องของการบันเทิงเรื่องของการเสพกามแต่ใช้ร่างกายเพื่อเลี้ยงดูแลร่างกายนี้ไม่ผิดเพียงแต่ต้องรู้จักความเหมาะสมนั้นเองอ อ, ออกอยากออกกําลังกายให้เหนื่อย ไ, ได้ได้ แต่ถ้าไปอยู่วัดเขาไม่ให้วิ่งก็อย่าไปวิ่งเดินจงกรมแทนทั้งวัดเขาจะให้ทํางานดีกว่าออกกําลังกายไปช่วยไปช่วยกวาดลานวัดดีกว่าเข้าใจไหมมีประโยชน์กว่าได้ประโยชน์สองอย่างได้ออกกําลังกายแล้วยังได้ทําความสะอาดให้กับวัดด้วยอมีอีกไหมได้ไหมคำถามจากตั้วหวังค่ะ การทำลายกิเลสน้อยใหญ่ต้องตั้งใจกำจัดทีละตัวหรือว่าเจริญสีนสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆเจ้าคะก็ทำทั้งสองส่วนเครื่องมือเราก็ต้องเพิ่มให้มันมีกำลังมากขึ้นกิเลสตัวไหนที่เราฆ่ามันได้ก็ต้องฆ่ามันไปเวลามันโผล่ขึ้นมาเราไม่ต้องไปไล่ฆ่ามันหรอกรอให้มันเข้ามาหาเราก็แล้วกันรอให้มันโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวอยากไปเที่ยวก็ฆ่ามันเดี๋ยวอยากจะดูหนังก็ฆ่ามันเลย ทำตอบ น, นี้ถ้าข่าไม่ได้ก็แสดงว่าเครื่องมือเรามีกำลังไม่พอเราก็ต้องมาเพิ่มกำลังของเครื่องมือเพิ่มศีลเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาให้มากขึ้นต้องทำทั้งสองส่วนสร้างสร้างเครื่องมือแล้วก็แล้วก็ทำลายกิเลสฆ่าศึกศัตรูทำไปพร้อมๆกันควบคู่กันไป คำถามจากคุณบีนาความโลภคือการอยากได้ของของผู้อื่นใช่ไหมคะถ้าเราไปตามทวงหนี้เงินคืนจากผู้อื่นที่เคยยืมเงินเราไปถือว่าเราโลภเงินไหมคะไม่หรอกเหมือนเป็นการเป็นการทำหน้าที่ของการที่เรียกคืนทรัพย์สมบัติของเราที่เราได้มีการตกลงกันไว้ว่า ถึงเขาให้เขายืมไม่ได้ให้เขาเลยแต่บางทีเขาอาจจะลืมไปเราก็เลยต้องไปเตือนความจําว่าพี่นี่ไม่ได้ให้นะนี่ให้ยืมถึงเวลาแล้วที่จะต้องขอคืนออันนี้ก็ไม่เรียกว่าโลภการโลภนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องโลภของคนอื่นโลภไม่ใช่ของคนอื่นก็ถือว่าโลภได้ การอยากไปเที่ยวก็ถือว่าเป็นโลคอย่างหนึ่งการอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็ถือว่าเป็นความโลภอย่างหนึ่งแต่ถ้าซื้อของจำเป็นเราไม่ถือว่าเป็นความโลภเพราะมันจำเป็นเช่นต้องซื้ออาหารมาบริโภคนี้มันไม่จำเป็นไม่ถือว่าเป็นความโลภแต่ถ้าซื้อมากเกินไปนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นความโลภถ้ามันโลภตามความเหตุตามผลตามความ จริงนี้ไม่เป็นไหนแต่ถ้าเยอะโลภเพราะไม่จําเป็นจะต้องมีอยงเงี้ยถึงเรียกว่าโลภคาํารรมเจคุณกุณลาบถ้าเรานั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่ในห้องพระแล้วข้างบ้านดื่มสุราแล้วเสียงดังมากจนไม่มีสมาธิเลยแต่หนูพยายามบอกตัวเองว่าต้องสู้สวดมนต์ภาวนาต่อไปถ้าวันพรุ่งนี้หรือวันอื่นๆเจอแบบนี้อีกหนูต้องทําตัวอย่างไรเจ้าคะถึงจะมีสมาธิแล้วก็สติเจ้าคะ่ะ ก็ต้องอย่าไปสนใจเรื่องของเขาบ้านของเขาเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเรื่องของเราก็คือเราต้องฝึกสติอย่าไปโทษคนอื่นว่าว่าเขาทําไม่ดีเลยทําให้เราไม่มีสติไม่เกี่ยวกันนะแสดงว่าใจเรายังไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่สามารถที่จะยึดยึดเหนี่ยวตัวของเราเองไว้ให้อยู่กับเราได้ ใจของเรายัางอยากไปเจ้ากี้เจ้าการยังอยากไปยุ่งกับชาวบ้านเขาอยู่ชาวบ้านเขาทาอะไรก็อย่าไปสนใจถ้าเสียงดังก็หาอะไรมาอุดหูซะเอาไอ ห, หูฟังที่เราใช้ฟังกับเครื่องโทรศัพท์นี้มาอุดเข้าไปมันก็จะไม่ทําให้เราได้ยินเสียงได้ทําห้องปิดห้องปิดเสียงไม่ใเสียงเข้าเปิดแอร์เย็นสบายอยู่คนเดียวเหมือนไปอยู่วัดนี้ ถ้าทำได้ถ้าอยากจะปฏิบัติที่บ้านก็ลงทุนนิดหน่อยอย่างนี้ก็ทำให้เราไม่ต้องไปรับรู้โลกโลกภายนอกแล้วเขียนที่ประตวว่านี่คือวัดที่ปฏิบัติธรรมห้ามรบกวนอันนี้เราก็เหมือนกับเราได้ไปอยู่วัดแล้วคำถามจากคุณสหเมษาการที่เป็นคนธรรมดาแบ่งเวลาทำงานไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยจะทำอย่างไรให้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกครับ อันนี้ก็เป็นขั้นต้นไงขั้นต้นเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติได้เต็มร้อยเราก็แบ่งเวลาที่เราว่างมาให้ฝึกหัดในการปฏิบัติถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆรเราก็จะมีกําลังมากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นได้รับผลการปฏิบัติมากขึ้นมันก็จะทําให้เรามีกําลังใจที่จะตัดงานต่างๆทิ้งไปได้แล้วก็ต่อไปก็ไปบวช ได้อย่างเต็มร้อยต่อไปแต่เบื้องต้นก็ต้องแบ่งกันไปก่อนจนกว่าเราจะคิดว่าเราหยุดทํางานได้แล้วเราไปปฏิบัติเต็มที่ได้แล้วเราก็หยุดทํางานไปหรือเราอาจจะลดการทํางานให้น้อยลงเคยทํางานร้อยเปอร์เซ็นก็ลดเหลือห้าสิบเปอร์ซนต์เหลือสามสิบเปอร์เซ็นหลือยี่สิบเปอร์เซนจนกระทั่งอ่ะพร้อมแล้วก็เลิกทํางานเลยอันนี้ก็อยู่ที่เราต้องเป็นการเขาเรียกกันไง เป็นการหัดใช้ชีวิตแบบใหม่ก็ต้องค่อยๆหัดไปเทละเล็กเท่าน้อยเพิ่มไปเทละเล็กเท่าน้อยหรือบางคนก็สามารถทําแบบหักดิบได้ก็ทําไปแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาคําถามาถสุดท้ายนะคําถามจากคุณเอกชัยอริยะสัจสี่กับไตรลักษณ์เราควรเริ่มอะไรก่อนครับ มันไปด้วยกันเนี่ยก็ต้องอริยสัจสี่ก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปพบกับไตรักต่อไปพอมันไปถึงมรรคมรรคก็จะสอนให้พิจารณาไตรักปัญญาก็จะสอนว่าไตรักเพื่อที่จะได้ปล่อยวางได้จะปล่อยวางความอยากได้ต้องเห็นไตรักก่อนจะไปถึงไตรักได้ก็ต้องไปผ่านอริยสัจสี่ก่อนไปถึงมรรคข้อที่สี่ก่อน